บทที่สองสมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์นักกรบด้วยวาจาที่แสดงถึงความชื่นชมว่ากล่าวกระผมรู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสมาพบกับบุคคลผู้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดของชีวิตทั้งทางโลก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 ท่านกำลังจะกราบทูลถามว่าคือผู้ใดพระราชาผู้ทรงละความหลงในสงสารได้แล้วก็ตรัสขึ้นว่าท่านคงอยากรู้ล่ะซิวนะว่าสหายร่วมสาบานของเราคือใครข้าพระองค์อยากทราบพระเจ้าข้าอยากทราบว่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่ข้าพระองค์เคยคิดไวหรือไม่สมภารวัยห้าสิบเศษกราบทูล เป็นคนเดียวกันเอาอย่างนี้นะท่านพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมุตินั้นเลยนะข้าพระองค์ต้องการจะรักษาโบราณราชประเพณีพระเจ้าค่าคือเหตุผลของท่านพระครูที่ท่านให้เหตุผลมาก็ดีอยู่หรอกนะแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้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 เราเองก่อละลึกชาติแต่หนหลังได้เจ็ดชาติเท่ากับท่านฉะนั้นเราทั้งสองคนจึงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วทาไมจะมาติดอยู่กับสิ่งสมมุติถ้าเช่นนั้นกระผมพูดธรรมดาก็ได้ขอรับท่านพระครูยอมจำนนต่อเหตุผลที่พระเถระเจ้ากล่าวอ้างดีแล้วทีนี้อยากรู้อะไรก็ถามมาได้ เรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาสนทนากันต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีพระบัวเหียวผู้ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้ให้ชนรุ่นหลังรู้เราไม่อยากให้มีการเข้าใจรัชวงศ์จั ก, กรีผิดผิดทุกวันนี้มีคนจีนจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษโดยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการแสดงว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า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 มีอาจบรรลุถึงจุดหมายได้เลยพระเถระเจ้าอธิบายด้วยเสียงเรียบๆว่าคนที่เคยทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกตินิสยัยแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคนเขาก็ต้องคิดว่าคนนั้นผิดปกติใช่ไหมเหมือนอย่างเราเราเคยถือดาบออกรบป้องกันบ้านเมืองกู้อิสรภาพให้กับชาติไทย ใครๆก็เห็นว่าเราเป็นนักรบผู้เก่งกาจสามารถเป็นวีระบุรุษแล้วอยู่ๆระวังดาบไม่จับดาบอีกเลยเอาแต่เจริญวิปัสนาถ่ายเดียวคนเขาก็เลยว่าเราบ้าเหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามละขอรับเพราะอาจารย์ที่เคารพของพวกเรานะสิอาจารย์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเราทั้งสาม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 เพ่งโทษตัวเองดีกว่าเราก็รู้สึกแปลกว่าทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้อยากจะโกรธแต่ก็ไม่กล้าแล้วท่านก็พูดให้เราเสะเทือนใจว่ามหาบอบพิษฆ่าคนมามากมีมือเปื้อนเลือดบาปมากตายไปจะต้องตกนรกหากเป็นคนธรรมดาพูดเช่นนี้เราคงสั่งตัดหัวไปแล้ว แต่นี่เป็นพระพูดเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราก็เรียนถามท่านว่าเราเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ทำสงครามปกป้องแผ่นดินท่านก็พูดว่าบัดนี้มหาบอพิษได้ทำหน้าที่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วการกู้ชาติเป็นหน้าที่ของมหาบอพิษแต่การทำสงครามปกป้องประเทศชาติ มหาบพิษควรยกให้ผู้อื่นมีคนที่เขาสามารถทำหน้าที่แทนมหาบพิษได้จงอย่าจับดาบอีกเลยอาตมาขอบินทบาทดาบจากมหาบพิษเราก็ถามท่านว่าเราจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าเพื่อตัดความหลงในสงสารหากมหาบพิษครองราชสมบัติต่อไป ก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้สงสารก็คือวัตตสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจกิเลสกรรมและวิบากหากมหาบอพิษไม่ตัดความหลงในสงสารก็จะต้องเวียนว่ายวกวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบสิน้นอัตมารู้ว่ามหาบอพิษสามารถตัดความหลงในสงสารได้จึงมหา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 ตอนเราขึ้นครองราชเงินในท้องพระครังไม่มีเลยเราต้องเป็นหนี้ชาวจีนถึงห0 0 0ื่นตำลึงซึ่งถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้เท่ากับ2 4 0แสมืบาทสมัยก่อนเงินหกหม0นตำลึงมีค่ามากถ้าเขาจะให้เราผ่อนใช้เราก็พอจะหามาผ่อนได้แต่นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเป็นของเขา เขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจำนวนนี้ให้ได้เรากับสหายร่วมสาบานก็เลยต้องช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรแล้วเราก็คิดออกว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดท่านอย่าคิดว่าเราตั้งใจโกงเขานะเราไม่ได้โกงแต่ในเมื่อเขาคิดไม่ดีกับเราเราจึงต้องใช้เล่ห์กลกับเขา อีกประการหนึ่งตั้งแต่เรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าเราก็ไม่มีแก่ใจที่จะครองราดต่อไปอีกแล้วเราอยากตัดความหลงในสงสารให้เด็ดขาดเราสมเพศตัวเองที่เป็นกษัตริย์ยากจนเข็นใจเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ไม่มีเบญจาราชกกุทธพันเบญจาราชกกุทธพันคืออะไรขอรับ พระบัวเหี่ยวเพิ่งจะได้โอกาสถามท่านพระครูตอบแทนพระเถระว่าคือเครื่องหมายความเป็นพระราชามีห้าอย่างได้แก่พระขันทานพระกรอุณหิตฉลองพระบาทและวารวิชนีที่หลวงพ่อกล่าวมาผมไม่รู้จักเลยสักอย่างเดียวถ้าจะรู้จักอย่างเดียวเห็นจะเป็นพระขัน นอกนั้นไม่รู้จักพูดซื่ อ, อแม้จะตัดความหลงในสงสารได้แล้วท่านก็ยังพูดเฉยเยอันเป็นวาสนาคือความเคยชินของท่านหลวงพ่อในป่าพูดว่าที่เธอไม่รู้จักเพราะเธอไม่เคยเกิดเป็นพระราชาไม่เหมือนลูกศิษย์สองคนของเราที่เขารู้จักเพราะในอดีตชาติเคยมีสิ่งเหล่านี้ครับหลวงพ่อ ผมมันคนไม่มีบุญวาสนาเกิดมาอาภัพอับโชคพระบัวเหีียวทำทีเป็นน้อยใจถ้าอาภัพอับโชคจริงเธอก็จะมานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกคนที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นคนโชคดีที่สุดครับ โชคดีที่สุดก็ดีที่สุดกระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องเมืองทนบุรีต่อขอรับพระบัวเหียวพูดกับพระเถรรเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงทนบุรีเพราะไม่มีเบญจกกุฏพันนี่เองพระยามหานุภาพจึงเขียนสดุดีเราไว้ในนิราชกวางตุ้งว่าชรอยอัฏบุรุษอุดมวง์ ในสิบองค์โพธิสัตว์ดุสิทสวรรค์ได้รัตยาเพศไทยทำนายพันนายอนันตสำนักชิเนานานจึงโดนใจให้พระองค์ทรงนั่งบัลลังรัตรถรถพระธรรมกรรมฐานให้ทรงเครื่องนพ ร, รัตนชัชวานพระชมชาญแทนเบญจกกุฏพัน เอาพระไตรลักษณ์ทรงเป็นมงกุฎพระงามสุดยอดฟ้าสุทาสวรรค์เอาพระศีลสุดจริตในกิจการเป็นสุวรรณาวรัสสังวานเอาพระมุติติทันเป็นคันฉัดเอาพระสัตวจะเป็นระไบภัยสารล้วนเครื่องศิลวัตอันชัชวาลพระอุเบกขายาน เป็นทานกรแต่กระผมชอบจารึกในสารพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามที่แสดงให้เห็นปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาบัวเฮียวเธออยากรู้ไหมว่าจารึกมีว่าอย่างไรท่านพระครูถามพระบัวเฮียวอยากครับหลวงพ่อผมไม่เคยไปวัดอรุณ จึงไม่เคยเห็นจารึกนั้นแต่ผมก็อยากรู้ว่าปณิธานอันแน่วแน่เป็นอย่างไรหลวงพ่อพอจะจำได้บ้างหรือเปล่าครับหากจำได้กรุณาถ่ายทอดให้ผมฟังด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งพระบวเหียวพยายามใช้สำนวนที่ท่านคิดว่าเก๋ที่สุดได้สิฉันจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียวรู้สึกซาบซึ้งจนน้าตาไหล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 พ้นจากนรกแล้วก็ยังต้องเสวยผลกรรมเศษของกรรมด้วยการไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เ ข, าข้าฆ่าหากไม่ได้หลวงพ่อกับหลวงพ่อใหญ่ช่วยไว้ผมคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งณที่นี้พระนมพูดอย่างซาบซึ้งในความกรุณาของพระเถวระทั้งสองท่านเรียกหลวงพ่อดําว่าหลวงพ่อใหญ่พร้อมที่จะฟังหรื อ, อยังท่านพระครูถาม เมื่อเห็นว่าสิทธิ์สาธยายืดยาวเกินความจำเป็นพร้อมแล้วครับผมจะกำหนดจิตฟังหลวงพ่อคอยดูนะครับผมจะจำให้ได้ทุกต้อยคำเลยทีเดียวฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอาละ่ะจารึกในสารพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามมีดังนี้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 ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเมื่อท่านพระครูพูดจบจึงบอกให้พระบัวเหียวพูดบ้าง ผลปรากฏว่าพระบัวเหียวสามารถจำได้ทุกถ้อยคำท่านจึงพูดกับสิทธว่าบัวเหียวเธอพอรู้ไม่ว่าเหตุใดความจำของเธอถึงดีขึ้นเพียงฉันพูดครั้งเดียวเธอก็จำได้หมดเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้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 และเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ผมได้อนิสงค์ครบทั้งสามข้อแล้วความจําของผมจริงดีเมื่อก่อนความจําไม่ดีเพราะยังไม่ได้รู้จักหลวงพ่อและหลวงพ่อใหญ่ผมต้องขอกราบขอพระคุณทั้งหลวงพ่อและหลวงพ่อใหญ่เป็นอย่างสูงท่านคุกเข่ากราบหลวงพ่อในป่าและท่านพระครูสามครั้งท่านพระครูพูดกับพระเถระเจ้าผู้เคยกอบกู้ชาติ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 ที่วัดวัดนึงมีรูปหล่อโยมพ่อโยมแม่ของท่านไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแล้วสมเด็จท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าท่านเป็นลูกแม่ทัพคือกระผมเรียนถามท่านว่าท่านเป็นลูกศิกศทิ์กษัตริย์ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านเป็นลูกแม่ทัพกระผมก็สรุปเอาเองว่าแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงก็คือ สมเด็จพระเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่สมัยกรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงและต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเราเป็นคนขอร้องให้สหายร่วมสาบานของเราทำพิธีปราบดาพิเศษพิธีปราบดาพิเศษเป็นอย่างไรขอรับผู้ถามคือพระบัวเหียวพระเถระเจ้ า, าตอบว่าเป็นพระราชพิธี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 รู้สึกกระหายน้ำจึงเข้าไปขอน้ำดื่มนางสาวงุดนำน้ำโรยเกสรบัวมาเต็มขันทำให้ดื่มยากจึงถามว่าทำไมต้องแกล้งกันด้วยนางสาวงุดตอบว่าท่านกำลังกระหายหากผลีพล้มดื่มเข้าไปจะทำให้จุกการลอยเกสรบัวลงไปในน้ำก็ทำให้ท่านค่อยๆดื่มจนอิ่มและไม่เกิดอาการจุก เมื่อสหายร่วมสาบานของเราได้ฟังก็พอใจในความฉลาดรอบครอบของนางจึงถอดแหวนให้และขอแต่งงานหลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงธนบุรีและไม่ทราบว่านางงุตตั้งครรภ์ลูกของนางงุตก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์ที่ท่านพูดถึงนี่แหละท่านพระครูจึงพูดออกตัวว่าที่กระผมเกริ่นนำเรื่องของสมเด็จ เพราะกระผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านเป็นลูกคนจีนบิดาชื่อหายหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงกระผมสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความจริงขอรับ